วนาให้มันเด็ดเดี่ยวนะเอาเวลามาเรียนรู้ตัวเองเที่ยวไปเที่ยวมาได้แต่สนุกไม่มีอะไรแล้วก็สับสนมันเหมือนหมอครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐ า, านเหมือนหมอนะหลายหมอเนี่ยคนไข้าตายหมอเถียงกันคนไข้าตายไงแก่เลยจะรักษาก็ให้หมอคนนึงรักษาไปนะ ศาสตร์มันอันเดียวกันแต่ศิละปะมันก็ไม่เหมือนกันหรือความเข้าใจในศาสตร์มันก็ไม่เท่ากันบางที่เขาก็สอนในเรื่องสมาธิบางที่สอนแต่เรื่องปัญญาไม่เอาเรื่องสมาธิไปไม่รอดทั้งนั้นมีสมาธิแล้วก็คิดว่าทำสมาธิอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญปัญญาก็ไปไม่ได้ฟุ้งซ่านอยู่แล้วคิดว่ากำลังเจริญปัญญาอยู่ก็ไม่ใช่ เราต้องเดินให้ครบตามหลักสูตรสีลห้าต้องมีต้องมีนะ้สีนด่งพลอยก็รีบสำรวมระวังตั้งใจรักษามีสีห้าแล้วฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวฝึกสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิมีตั้งเยอะแยะมิจฉาสมาธิก็มีสมาธิที่ดีนะ แต่เป็นสมถะกรรมฐานก็มีเป็นสมาธิที่ใช้เดินวิปัสสนาก็มีคนะสมาธิกันสมาธิคนะแบบสมาธิที่เป็นสมถะให้พักผ่อนอยู่เฉยๆมีมาก่อนพระเทเจ้าอีกเจาชายสิ ธ, ธัตถะออกจากวังได้ก็ไปหัดเรียนสมาธิกลือศีอีกแม้คนเราคิดคล้ายๆกันนะอย่างพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติงานแรกที่เราคิดก็คือไปนั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะเขคิดอย่างนั้น สิ่งแรกที่ทําก็คือไปหาฤาษีหันนั่งสมาธินี่สมาธิที่ฤาษีสอนไม่สมาธิออกนอกสมาธิออกนอกถึงทําถึงชา้นแปดนะจิตก็ออกไปอยู่ที่ตัวอารมณ์จิตไม่เข้าฐานเจ้าชายสิทธะก็พราะว่านี่ไม่ใช่ทางแล้วก็มาฝึกทรมานร่างกายทรมานกายจริงๆก็คือทรมานใจนั่นแหละเพราะว่าใจมัน รักร่างกายนะก็คือข่มใจตลอดเวลาที่บอกทรมานกายทรมานใจจริงๆทรมานใจทรมานกายก็เพื่อทรมานใจคิดว่าทรมานมันมากๆแล้วกิเลสมันจะหดลงไปจะหายไปแล้วท่านก็เพราะว่าไม่ใช่ทางท่านก็ย้อนนึกถึงสมาธิที่ท่านเคยมีตอนเด็กๆในตำราบางตำร า, า, าก็ว่าเจ็ดขั้วมองตรงหลักว่าเล็กกว่านั้นอะไรเงี้ย แต่ว่าในคำภีจริงๆไม่ชัดว่ากี่ขวบนะส่วนใหญ่ก็ว่าเจ็ดขวบเจ็ดขวบก็เม่เซ็ตหนึ่งกันสมเหตุสมผลอายุเจ็ดขวบภาวนาเนี่ยท่านเจ็ดขวบท่านทำสมาธิหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวตอนนั้นได้ปฐมฌานหรือเป็นปฐมฌานแบบจิตถึงฐานท่านนึกถึงสมาธิชนิดนี้ได้นะท่านก็มาทำสมาธินี้ขึ้นไปถึงฌานที่สี่ ในตำราว่าท่านทำฌานสี่แต่ในความเป็นจริงแล้วคําว่าฌานสีเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงฌานห้าหเจ็ดปดด้วยพระอรูปฌานหรือฌานที่ห้าหกเจ็ดปดเป็นอรูปฌานเนี่ยมีองค์ธรรมสองอย่างนะอุเบกขาและเอกคตาเขาคฌานสีนั่นเองในตำราบอกว่าท่านทำฌานสีได้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะใช่ไหม คือพอจิตถึงฐานจริงๆแล้วตั้งมั่นจริงๆแต่จิตจะตั้งมั่นจริงๆนี่เริ่มตั้งแต่ชั้นสชั้นหนึ่งยังมีวิตกมีวิจารณ์อยู่ถ้าทำอนาปนสติเนจะ้าชายสิทธัตถะทำอนาปนสติลมหายใจมันจะสั้นลงสั้นลงนะรกระทั่งลมหยุดแล้วกลายเป็นแสงตรงที่จิตตรึกอยู่ในแสงจิตเข้าเคลียร์อยู่ในแสงเรื่อวิตกวิจารณ์มีปิติมีความสุขเกิดขึ้น สติระลึกรู้ว่าเนี่ยจิตยังเคลื่อนไปที่แสงอยู่มีตกวิจาร์ดับจิตตั้งมั่นขห้นมามีเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งคือภาวะตัวรู้นั่นเองสมาธิชนิดมีตัวรู้เกิดขึ้นในฌานที่สองมีปิตินะสติระลึกรู้ปิติปิติดับลงไปนะมีความสุขเด่นดวงขึ้นมา ที่จริงความสุขมีมาตั้งแต่ปฐมฌานแล้วแต่มันไม่เด่นตัวที่เด่นนันคือตัวแสงพอมาถึงฌานที่สองตัวที่เด่นคือปีติฌานที่สามตัวที่เด่นคือตัวความสุขสติระลึกรู้ความสุขอีกความสุขก็ดับให้ดูอีกจิตเป็นอุเบกขาขึ้นมาจิตเป็นอุเบกขานะท่านบอกว่าเนี่ยหมดจดแล้วควรแก่การงาน น, ะน้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะคนชอบไปคิดว่าท่านคิดเอา คีดเอามไม่ใช่วิปัสนาหรอกท่านต้องดูเอาอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่นะล้วความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นั่นแหละนำความทุกข์มาให้วิชาติ น, นั่นเองชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมานะความทุกข์ก็ติดมาด้วยนั่นก็ดูอะไรทําให้มีชาติมีชาต์ก็มีภพ พบมีสองลักษณะอุปาทิภพบพบด้วยการเกิดกับกรรมมพบพบที่เป็นการทํางานของจิตที่จิตกระทํากรรมไม่ว่าพบกรรมมพบมาจากอะไรมาจากตัณหาอุปาทานมีความอยากมีความยึดนะจิตก็ดิ้นรนทํางานขึ้นมาด้วยอํานาจของความอยากความยึดนั้นความอยากความยึดมาจากไหนมาจากเวทนามีความสุข ก็อยากให้มีอีกนะมีแล้วก็อยากให้อยู่นานๆอยากให้ถาวลจิตถนมน้อมไปทางศัตสตาทิฏฐิมีความทุกข์ก็อยากให้หายไปนะจิตถนมน้อมไปทางอุเฉทัทิฏฐิอยากให้สูญไปเลยย่านอาศัยเวทนานะความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกขนะ์นี่ผลักดันให้เกิดความอยากขึ้นมาเกิดตัณหา ความอยากผลักดันให้จิตดิ้นรนเกิดพบจิตดิ้นรนแล้วเนี่ยจะหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบฉวยขึ้นมาก็คือหยิบเอาก้อนทุกข์ขึ้นมาเนี่ยท่านจะเห็นศาสตร์อย่างนี้ไม่ใช่สาสตร์ที่เอาไว้คิดเอาหรือฟังเล่นๆ น, นะต้องเห็นด้วยตัวเองมีปรัสนาถึงแปลว่าเห็นมีปรัสนาไม่ได้วิตกมีตกไว้คิดมีปรัชนาเห็นเอา เวทนามาจากไหนนี่ท่านก็เห็นต่อเวทนามาจากผัสสะตากระทบรูปก็เกิดเวทนาหูได้ยินเสียงก็เกิดเวทนาใจคิดนึกปรุงแต่งก็เกิดเวทนาผัสสะมาจากไหนผัสสะเกิดตรงไหนเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อายตนะอายตนะได้มานี้ทำงานขึ้นมาได้เพราะมีรูปมีนา ยมีตามีรูปอย่างเดีย ว, วไม่มีนามตาก็เห็นรูปไม่ได้มีผัสสะไม่ได้มีหูอย่างเดียวไม่มีนามคือความรับรู้อย่างเวลาเราหลับลึกๆใช่ไหมหรือเราโดนยาสลบนะั้นมีตามีหูไม่มีผัสสะเพราะไม่มีความรับรู้ความรับรู้คือตัวนามัางนั้นนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทำให้อยตนะมันทำงานได้นามรูปมาจากไหน มาจากจิตมันหยางลงไปจับเรียกว่าตัววิญญาณวิญญาณหยางลงทําให้เกิดรูปนามปรากฏขึ้นมาถามว่ารูปนามปรากฏเพราะวิญญาณหยางหรือไม่ใช่รูปนามมีเหตุของรูปนามแต่รูปนามปรากฏขึ้นมาเพราะไปวิญญาณคือจิตไปรู้เข้าแต่ตัวนามตัวรูปนะมันก็เกิดด้วยเหตุของมัน ทำไมวิญญาณอย่างลงไปเพราะมีแรงผลักของเจตนาเจตนาตัวนี้เรียกว่าสังขารสังขารสังขารฝ่ายดีสังขารฝ่ายชั่วสังขารที่จะโน้มจิตไปสู่การไม่รับรู้อารมณนะ์มีหลายแบบมี3แบบสังขาร น, นั้นรากเง่ามาจากอาวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัยนิโรธมรร ไม่รู้ทุกอะไรเป็นทุกประโยคแรกเราก็ไม่รู้แล้วรูปนามเป็นทุกขันห้าเป็นทุกเราไม่รู้เรื่องแล้วเราเห็นว่าอกหักเป็นทุกข์ใช่ไหมที่จริงท่านบอกรูปนามเป็นตัวทุกข์นะอย่างความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏของทุกข์อะไรเป็นตัวทุกข์ตัวร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์แล้วแสดงอาการของทุกข์ออกมาด้วยความแก่ความเจ็บความตาย จิตใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์แล้วแสดงความทุกข์ออกมาแสดงอาการทุกข์ออกมานะด้วยความไม่สมปรารถนาต่างๆด้วยการเจอสิ่งที่ไม่ชอบด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบนะด้วยความไม่สมหวังแสดงอาการเป็นทุกข์ของใจออกมาส่วนใหญ่ก็เห็ น, นอาการนะเห็นอาการได้ก็บุนแล้วล่ะแต่ถ้าเห็นถึงตัวทุกข์แท้ๆคือตัวรูปตัวนามเป็นทุกข์แท้ๆนี่ ย, ยแทงทะลุวอวิชาแล้ว วัตตาเขจะคว่ำลงตรงนั้นเลยถล่มลงตรงนั้นเลยนะจิตกับขันจะพรากออกจากกันไม่รวมอีกแล้วจิตจะเป็นอิสระจากขันขันเป็นอะไรขันก็เป็นทุกข์ของขันจิตเป็นอิสระจากขันจิตไม่ทุกไปกับขันแนละ้วจิตเท่าถึงความสงบสุขนะมิสันติสุขที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้พวกเรามีโอกาสเข้าถึงทุกคนนะ อันแรกเลยขนาดนี้เราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยไม่บ้าใบ้ บ, บ, บอดหนวกเราฟังธรรมได้เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่จริงท่านพูดยาวนะบอกาได้เป็นมนุษย์นะมีศรัทธาเขามีศรัทธาก็าเลยเข้าใกล้พอเข้าใกล้เลยได้ฟังธรรมของสัตบุรุษพฟังธรรมสัตบุรุษนะ เข้าใจแล้วน้อมนําไปปฏิบัติก็รู้เห็นด้วยตัวเองแล้วอรานี้พวกเราได้ฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่บ้าใบ้หรือปอดหนวกเรามีศรัทธาเรามาฟังธรรมได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่น้อมนําอาไปทำนะ รักษาศีลห้าไว้สรุปบทเรียนมีสมบทเท่านั้นเองรักษาศีล5้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือสมาธิที่ถูกต้องถัดจากนั้นดูธาตุดูขันมันทำงานดูกายดูใจมันทำงานดูมันทำงานเราอย่าไปแทรกแซงมั น, น่เห็นร่างกายมันทำงานร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอน ร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายร่างกายแต่งตัวร่างกายอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยดูร่างกายมันทำงานไปหัวใจก็ทำงานของหัวใจปอดก็ทางานของปอดไปทุกคนทำหน้าที่ของมันเองทุกอย่างทุกอย่างเท้าก็มีหน้าที่เดินไปมือก็มีหน้าที่หยิบจับไปตาก็มีหน้าที่ดูหูก็มีหน้าที่ฟังจมูกมีหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นมีหน้าที่รู้รส ร่างกายมีหน้าที่รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเห็นร่างกายมันทำนํำงานของมันทําหน้าที่อย่าไปแทรกแซงมันเห็นความสุขความทุกข์มันทําหน้าที่ของมันความสุขความทุกข์มันก็ทําหน้าที่เกิดขึ้นมานะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่ามันทํางานของมันอย่างเนี้ยแต่จิตที่โง่เขามีความสุขก็ไปหลงยินดีมีความทุกข์ก็ไปหลงยินร้าย หือจิตที่โง่ไปเห็นร่างกายนะร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราซะหน่อยจิต ท, ที่โง่เขาบอกนี่ตัวเรานโะง่ อ, อยู่ที่จิตตัวเดียวนี่ในขันห้านะแต่ละขันเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะมีจิตตัวเดียวชอบไปแทรกแซงคนอื่นหน้าที่ของจิตเขามีเหมือนกันนะหน้าที่ของจิตคือการรู้อารมณนะ์รู้อารมณ์ต่างๆหรือหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งต่างๆอันนี้เป็นงานของจิตเขาเป็นลักษณะของเขา แต่ว่ามันมันมกจะคิดนึกปรุงแต่งไปตามความไม่รู้ด้วยสัญญาที่ผิดด้วยความรู้ที่ผิดก็เลยปรุงผิดผิดไปเรื่อยเข้าไปแทรกแซงขันทุกๆขันในกระทั่งแทรกแซงจิตก็แทรกแซงนะเคยอยากบังคับจิตให้ให้สงบัหมอยากบังคับจิตให้ได้มรรคผลเร็วๆัหมถามจริงใครอยากได้มรรคผลเร็วๆปะยกมือซิ อยากได้เร็วๆนะอยากนิพพานเร็วๆความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดนิพพานนะงั้นอยากอยู่ตราบใดก็ทุกข์ต่อไปเถอะจนฉลาดหมดอยากก็หมดทุกข์หรอว่ามันอยากเพราะมันไม่เห็นจริงไม่เข้าใจไม่เข้าใจความจริงของธาตุของขันนี้ ดูกายดูใจนะหรือถ้าดูขันมันทํางานไปเข้าใจความเป็นจริงของมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของถูกบีบคั้นอยู่มีแต่ของที่ไม่อยู่ในอานาจไม่ใช่ตัวใช่ตนจิตเห็นจริงนะจิตจะปล่อยขันเมื่อจิตปล่อยขันจิตก็เป็นอิสระสิขันเป็นอะไรขันเป็นตัวทุกจิตไม่ไปหยิบช่วยตัวทุกขึ้นมาอีกแล้วยังไม่มีชาติตรงที่ไปหยิบช่วยเอาตัวทุก คือขันเนื้อตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะี่ยคือหยิบเวยเอาขันขึ้นมาหยิบเวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมางั้นมีชาติเมื่อไหร่มีทุกข์มันนั้นนแหละถ้าสิ้นชาติก็สิ้นทุกข์จะสิ้นพบสิ้นชาติพบเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากโง่ไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ก็เลยเกิดตัณหา อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ที่ดิ้นรนหาอารมณ์ต่างๆมาสนองจิตใจนะ mm hmm. ก็เพื่อสิ่งนี้เท่านั้นเองทุกวั น, เ, นเราเที่ยวสแสวงหาอารมณ์นะเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหวังว่ามันจะทำความสุขได้หวังว่ามันจะหนีความทุกข์ได้ยังเห็นหน้าคนคนหนึ่งเบื่อนะไม่อยากเห็นนะอยากไปเห็นหน้าอีกคนหนึ่งเลย ได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบใจก็ดิ้นไปเรื่อยเลยดิ้นหาของชอบดิ้นหนีของเกลียดไปเรื่อยก็มีแต่ความทุกข์นะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์งั้นพวกเราอยากได้นิพพานซะ ท, ทุทุกไปก่อนนะ <c oughs> ทุกแน่นอนเลยแต่ต้องเป็นอย่างนี้นะเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ไม่ไม่ยึดถือพระนิพพานแนละ้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ช่างมันโอโหกิเลสท่วมหัวอยู่ไม่ช่างมันอย่างนั้นนะ นั่ต้องต้องอย่างเราเนี้ยอยากได้ซะก่อนเบื้องต้นมีตัณหามีความอยากก่อนอยากได้มรรคผลนิพพานนะมาภาคเพียรปฏิบัติธรรมวันหนึ่งทําลายความอยากไปพรานอนทร์ถึงสอนนะมีความอยากเพื่อละความอยากมีตัณหาเพื่อละตัณหาเนี่ยเสอนมีมานะเพื่อละมานะมีทิฏฐิเพื่อละทิฏฐินะพระนรินทท่านสอนมีความเห็นอย่างโน้นอย่างนี้มีความเห็นผิดนั่นแหละ มันต้องมีอยู่แล้วความเห็นผิดแต่วันหนึ่งเราจะต้องละความเห็นผิดเริ่มจากหมายรู้ผิดผิดแล้วก็คิดผิดผิดก็เลยเห็นผิดผิดหมายรู้ผิดผิดเรียกสัญญาวิปลาสคิดผิดผิดเรียกจิตตวิปลาสเห็นผิดผิดเรียกทิฏฐิวิปลาสเพี้ยนเพียนหมายรู้ให้ถูกหมายรู้ยังไง หมายรู้ร่างกายจิตใจด้วยความไม่เที่ยงนี่เรียกว่าหมายรู้ถูกหมายรู้ร่างกายจิตใจว่าเป็นทุกข์นี่เรียกหมายรู้ถูกหมายรู้ว่าร่างกายจิตใจเป็นอนัตตานี่เรียกว่าหมายรู้ถูกถ้าเคลื่อนจากตัวนี้ก็เรียกหมายรู้ผิดงั้นพยายามดูกายดูใจนะหมายรู้มันในเชิงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจเฉยๆแต่หมายรู้มันในเชิงของไตรลักษณ์เบื้องต้นอาจจะคิดนานิดหน่อยนะ แต่เบื้องปลายเนะี่ยใจมันจะหมายรู้เองอาศัยสัญญาไปหมายรู้ในความเป็นไตรลักษณ์ของมันของธาตุขันกายใจเราไปปัญญาตัวจริงก็จะเกิดไม่ใช่แค่สัญญาไม่ใช่แค่หมายนะจะเข้าใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจเรียนธรรมะนะแล้ว ร, รู้สึกมันมากเลยยิ่งภาวนายิ่งสนุกสนุกนะ พอนาไปแล้วรู้เลยหาคนโง่เท่าเรายากนะหายากจริงๆเลยพระเจ้าบอกอย่ายึดกลัวจะยึดเดี๋ยวนะให้ดับให้ละความอยากเสียก็อยากล้า <S <S <S อุส่าหเป็นอย่างนั้นอีกนะท่านบอกให้ละความอยากก็ผมก็อยากละเอาสุกอย่างแล้วนะที่ท่านห้ามอะ่ะที่ท่านให้ทําไม่ค่อยทำหรอกให้รู้ทุกข์แม่เมานะอยากหนีทุกข์ใช่ไหมให้ล้าสมุทยัยผมก็อยากล้านะ กลายเป็นว่ามีสมุทัยสิทํานิโรธให้แจ้งให้เห็นเท่านั้นนะให้ประจักนั้นก็คิดไปสร้างนิโรธขึ้นมานิพพานต้องเป็นอย่างนี้นะ่ะทําจิตอย่างนี้แล้วมันจะเป็นนิพพานนะทําไงก็ไม่นิพพานหรอกนะยิ่งทํามันก็เป็นภพทั้งนั้นเลยไม่เป็นนิพพานมรรคนั้นให้เจริญนะศีล ส, สมาธิปัญญานะนะั่นแหละก็ไม่ค่อยทํากันทํานิดๆหน่อยๆ อ, อยากได้มรรคผลเร็วๆนะ เหตุกับผลต้องพอดีกันนะวันหนึ่งจเจริญโมหะมากจเจริญความหลงมากก็จะอยากได้ปัญญาโอ้ไม่ได้หรอกวันวันเนปล่อยใจฟุ้งซ่านเนี่อยากได้สมาธิก็ไม่ได้หรอกวันหนึ่งตามใจแต่กิเลสจะให้มีศีลมันก็มีไม่ได้หรอกทอํายังไงก็ได้อย่างนั้นนะ่ะยุติธทําที่สุดนะเป็นความยุติธรรมแล้วที่เราต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยุติธรรมแล้ว เคยเสียใจไหมว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เราเสียใจในตัวเหตุผลในตัวผลตอนนี้นะไม่ได้คำนึงว่าเหตุมันมีอย่างนี้เราถึงต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมีเหตุมีผลนะยุติธรรมแนละวยุติธทําที่สุดคำว่ายุติธรรมยุติด้วยธรรมะนี่เราเป็นอย่างที่เราทําั่นทำเหตุนะ ฝึกศีลฝึกสมาธิที่ถูกต้องเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปถึงวันหนึ่งเราก็รู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงมาผลนิพพานมีจริงนิพพานมีจริงนิพพานไม่เคยหายไปไหนอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตเราไม่มีคุณภาพเพราะไม่เห็นเอาต่อไปให้พวกอยู่วัดส่งกันบ้านหน่อย อที่ผ่านมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบมันไม่แน่นอนวันแรกๆไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยรู้สึกแบบชัดเจนนะ <c oughs> พอพอกลางกลางช่วงก็รู้สึกดีแต่พอใกล้ๆจะกลับมีความรู้สึกว่ามันมันอ่อนลงใช่ไหมไม่เที่ยงเละครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่าความตั้งมั่นมันน้อยลงอืม <c oughs> แล้วก็แต่ได้เห็นเรื่องเกี่ยวกับไตรักเนี่ยได้ไวขึ้นอื <c oughs> แต่ก็ยังต้องไปฝึก อ, อีกเยอะครับขอกราบหลวงพ่อช่วยสิเนะ่เพิ่มเติมโดยธรรมชาติเราเป็นคนฟุ้งเก่งนะครับมันฟุ้งเก่งงั้นเราหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับลมหายใจอยู่อะไรก็อยู่ไปเรื่อยนะแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยการพอน้ําถึงจะไปไหวนะ ม, นมันก่อนหลวงพ่อทักว่าจิตตื่นแล้วเราให้ดูธาตุแยกธาตุแยกขันต์ต่อ บ่อยๆอแต่ตั้งแต่อยู่มาแยกได้ไม่นับครั้งได้ค่ะห่ อ, อเทคนิคในการแยกใหม่ๆที่หลวงพ่อหัดนะตั้งอาทิตย์หนึ่งนะถึงแยกได้ทีหนึ่งทำมาห้าวันก็แยกได้ทำมาสามวันก็แยกได้แล้วแยกทีแรกอยู่แป๊บเดียวแล้วก็แยกได้นานขึ้นนานขึ้นนะเป็นธรรมดาให้มันแยกได้ก็อย่างดนะีอย่างน้อยมันเริ่มเห็นแล้วว่าขันนี้มันแยกได้คําว่าขันแปลว่าส่วนนะ ว่ากองกองเป็นกองเห็นไหมมันแยกเป็นส่วนๆได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนคําไหนก็เป็นคํานั้นะล้วเห็นเลยแต่ละกองไม่ใช่ตัวเรากองของรูปไม่ใช่เรากองของเวทนาไม่ใช่เรานะกองของจิตที่ไม่ใช่เราอัดดูไปเรื่อยตัวกิเลสความโง่ของเรานะมันทนทานสติปัญญาไม่ได้หรอกพาจิตนี้ให้ดูของจริงเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่ง ความโง่ก็ต้องแพ้ไปความไม่รู้ก็ต้องแพ้ไปดีไปทําอีกกลับมาสการหลวงพ่อค่ะคือหนูจิตมันไปลงกับความคิดทั้งวันอะคะ่ะเหรอไหลทั้งวันเลยไม่จริงหรอก <c oughs> เห็นไหมว่ากลากับใจเป็นคนลานคือถ้ามันรวมกับความคิดอยู่มันไม่แยกหรอกในขณะที่จิตรู้ตื่นเบิกบานถอนตัวออกมาได้นะ ตอนจิตไม่ได้ไปรวมพ่อความคิดละวนี่จะเห็นขันนะแยกออกไปเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคล่าส์เห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วกระจายก็โคล่าสเห็นไหมใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเพราะงั้นได้ที่มาบอกหลวงพ่อว่าจิตไปรวมกับความคิดทั้งวันนะ่ะไม่จริงหรอกไม่เชื่อ <c oughs> ไปทําอีกนะบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางช่วง บางช่วงจิตมีเรี่ยวมีแรงรู้ตัวบ่อยอันนั้นเป็นปกติเวลาที่เราภาวนาทั้งๆที่ภาวนาถูกทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ทำสม่ําเสมอนะบางช่วงเจริญบางช่วงเสื่อมอันนั้นเป็นทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นนะท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิลูกศิษธรร์ถามท่านจะทำไปทาไมไม่มีกิเลส ต, ต้องสู้แล้วนี่อะไรเงี้ย บอกพวกสติพวกสมาธินะั่งคงเสื่อมนะต้องซ้อมเอาไว้ใช้ขนาดท่านพานาถึงขนาดนั้นนะกิเลสย้อมจิตไม่ได้เลยจิตเป็นอิสระแนละสมาธิยังเสื่อมได้เรยแล้วไม่บอกสมาธิบริบูรณ์สมาธิคนละตัวกันสมาธิที่บริบูรณ์เนี่ยนะนะสมาธิที่จิต ตั้งมั่นสมาธิที่ท่านว่ามันเสื่อมไปมันสมาธิที่เอาไว้ใช้งานครานรนสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตได้นะไม่เสื่อมสมาธิที่ใช้งานไม่ฝึกไม่ซ้อมก็เสื่อมอย่างสมาธิที่จะใช้ทำอภิญญานะไม่ซ้อมเสื่อมได้เหมือนกันองค์ที่ท่านเก่งอภิญญามากๆนะท่านเลยเล่นทั้งวันเลยอย่างพระนุรุษ ท่านรูนะ้รถไม่นอนตั้งห้าสิบกว่าปีนะไม่นอนอย่างพวกเราไม่นอนวันเดียวก็จะบ่นจะแย่แล้วนะท่านไม่หลับนะห้าสิบกว่าปีท่านเอาเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเที่ยวดูโลกธาตุทั้งหลายแล้วดูได้เร็วมากนะท่านดูโลกตั้งพันโลกเนี่ยในเวลาครู่เดียวดูได้เร็วจิตท่านไวมากเลยเราะนจิตท่านเร็วถึงขนาดว่าเป็นเอตตัคคะ ในทางที่พระจักสุที่พระจักสุไม่ใช่ไปแอบดูว่าลูกเต่าในถ้วยไฮโลมันออกเบอร์อะไรที่พจักสุอันนี้ท่านเห็นสัตว์วันตายแะมันไปเกิดที่ไหนอะไรนี้ท่านรู้หมดเลยเห็นจิตเกิดดับในพภพภูมิต่างๆเนื้อท่านฝึกซ้อมอย่างนี้นาะชำนิชำนานมากเลยวันที่พระเจ้าจนันทิพานณนะ พระเจ้ า, เ ข, าเข้านิโรธสมบัตินิโรธสมบัติเนี้่ใกล้เคียงกับการนิพพานที่ขันแตกขันดับไปแล้วนะเหมือ น, น, นหายวับไปเลยพระนนทก็สงสัยว่าพระเจ้านิพพานหรื อ, อยังพระนุรุนบอกอยังเนี่ยท่านชำนาญในการดูจิตผู้อื่นมากนะท่านตามดูพระเจ้าได้เลยตอนนี้อยู่ชั้นนี้ตอนนี้ น, นี่ตอนนี้พักอยู่ในนิโรธแนละ้วอาตอนนี้เริ่มถอยออกมาแล้วเนี่ยท่านดูได้นะ พวกเราจิตไม่ไวไม่ไวนะ ก, น ก, การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ะคือก็มาส่งกันบ้านแค่นั้นนะคะก็ะคือจิตก็ยังพุ้งอยู่ค่ะแต่คิดว่าน้อยลงแต่อย่างที่มากหรือน้อยไม่สำคัญสำคัญที่รู้หรือไม่รู้นะค่ะแล้วก็เห็นจิตที่เคลื่อนไปมาไหมเห็นค่ะออมันเคลื่อนได้ตลอดเลยนะค่ะไม่ห้ามมันหรอกค่ะ แล้วก็ก็มีอย่างที่หลวงพ่อบอกก็มีเจริญแล้วก็เสื่อมแล้วนะคะเวลามันเจริญมันก็สุดโต่งค่ะเวลามันเสื่อมมันก็แบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เรื่องแล้วค่ะเออนะเวลาเจริญนะมันเหมือนกับมรรค น, นิพพานอยู่อีกนิดเดียวใช่เวลาเสนะื่อมนะองภาวนากันยังไงภาวนาไม่เป็นนะเวลาเสื่อมถึงขนาด น, นั้นนะบางทีหนูก็เห็นว่าลมมันมันขาดโชคมันแบบอะไรหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ<ม>แล้วพอวัีอาทิตย์ที่แล้วนั่งอยู่ในรถนะคะเฉดีจะไปทําไปท่าภพกฐินนะคะ ก็นั่งอยู่แล้วก็มันก็ฟังหลวงพ่อไปด้วยค่ะแล้วก็จิตก็มีปิติมั น, มนเหมือนจะล้นออกมาเลยแต่ว่าพอมาอีกวันหนึ่งรู้ว่าเต็งไม่ได้ดูว่าจิตมันชอบเพราะนั้นนะคะไปทำอีกนะทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าขันมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของนะมีการกระทำนะขันต่างๆก็ทำหน้าที่ของขันมีการกระทาแต่ไม่มีผู้กระทา ตอนนี้มันยังมีเจ้าของมีผู้กระทำไหมดูให้ดีดูออกไหมมีค่ะอ๋อใช้ได้แสดงว่ายังไม่ได้โสดานะยังค่ะเออใช้ได้เพราะนาดีมากๆเลยค่ะเา้าแต่มันมีขันแต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำค่ ะ, ะหลวงพ่อคะหนูยังไม่หนูพยายามคิดว่าหนดูดูตัวโลภไม่ค่อยช้านะคะหนูตอนแรกหนูคิดว่าหนูไม่โลภทีจะทาแต่บางทีคิดว่ามันโลภ โลบสิหนูดูง่ายๆนะเวลาจะพูดอ่ะมียงโลบเลยมันอยากจะพูดดูออกไหมเออเนี่ยแหละตัวโลบแหละแล้วก็หัดดูไปด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวโลบไหมเห็นใครอยากพูดเออันนั่นแหละดูไม่ยากหรอกตัวโลบอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็เห็นว่าเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเพิ่งเห็นว่ามันมันผดขึ้นเลยค่ะผดขึ้นกลางอกเนี่ยใช่ค่ะนี่แหละที่ลวงตาบอกทําแท้ผดขึ้นกลางอกอะ นูก็ทําเรื่ อ, ๆอยๆเวลาอา ก, กุศลเกิดก็เกิดที่อกนะคะกุศลก็เกิดขึ้นกลางอกเวลาที่อริยมรรคเกิด่ะแวกออกที่กลางอกนั่นแหละแล้วคือหนูติดหนูเดินไม่ปัสสนานะชมพิทักษ์เดินแล้วเดินมาตั้งเยอะแล้วไปทําอีกค่ะทําอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ไม่เสียชาติเกิดหรอกทําไปเถ อ, อะอว่าเกิดในมรรการหลวงพ่อเจ้าค่ะขณะ น, นี้จิตโยมนี่ ฟุ้งซ่านในธรรมที่ได้ไปรู้ไปเห็นมาให้รู้ทันนะรู้ทันฟุง้งซ่านตัวน้ร้ายนะความอยากอยากจะให้หลวงเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าคำสอนหลวงพ่อเนี้ยทาแล้วได้ผลอย่างนี้ก็ฟุ้งซ่านแต่ก็รู้ทันแต่ขณะนี้จิตสงบรู้สึกสบายสงบตั้งมั่นแข็งแรงแข็งแก่งขึ้นมากอะเนื่องจากว่าเมื่อหกเดือนที่แล้วประมาณหกเดือนที่แล้วเนี่ย โยมไปเห็นลูกมันทุกข์มากเหลือเกินไม่เผอสติเมื่อไหร่จิตเข้าไปคลุก<ม>จนทุกข์สาหัสอยู่หกเดือนกว่ามไม่รู้เลย<ม>รู้แต่มันทุกข์ทุกข์มากมจนไม่อยากเกิด<ม>แต่วันหนึ่งเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วโยมเดินจงกรมอยู่ตีสี่กว่าลุกขึ้นมาปกติเป็นปกติอยู่ในครัวทํากับข้าวจะไปใส่บาท เดินไปเดินมาจิตไม่ได้คิดอะไรเลยไอ้ที่ทุกข์มันลืมไปหมดแล้วแต่ว่าไปไปเห็นไปรู้ไปเห็นและเข้าใจว่าตอนนั้นเลยได้รู้ได้เห็นว่าป๋อเพราะจิตเข้าไปยึดนี่เองอืมเห็นจิตรู้ตรงนี้เลยฮะว่าอ๋อเพราะจิตเข้าไปยึดนี่เองจิตเลยพูดออกมาประโถเอ้ย ่ะโถอยู่ใกล้แค่นี้ทำไมไม่รู้ใช่จิตพูดเอง่ะตายเลยกายเนี่ยลูกเขาทุกของเขาหรือไม่ทุกเขาไม่รู้เรื่องเลยเล่านี่แหละเข้าไปยึดจิตที่เป็นเราเนี่ยเข้าไปยึดเจ้าค่ะหลงเข้าไป่ะหลงเข้าไปยึดกายไม่รู้เรื่องเลยปะโถตายแล้วร้องอย่างนี้เลยว่าพูดคนเดียว่ะว่าตายแล้วโอโหก็จากนั้นก็ ก็เลยมารู้ว่าอ๋อนี่พอเราหลงจิตเขาหลงเข้าไปเองก็เลยได้เห็นได้รู้ตรงนี้เองว่าจิตเข้าไปยึดนี่เป็นอย่างนี้เองจากนั้นมาจิตเริ่มถอยถอยออกมาเรื่อยๆมันมีหลายอันนะยึดเนี่ยหลายชั้นหลายเชิงอันหนึ่งจิตเข้าไปยึดโลกยึดอารมณ์อันนี้ยังปล่อยง่ายนะเพราะเข้าไปยึดทีไรทุกทกทีเลยอีกอันนึงจิตยึดจิตโอ้ยตัวที่ดูยากเนียน มันจะปล่อยปล่อยเพียงข่าวพาวเดี๋ยวก็ตะครุบขึ้นมาอีกเอาขึ้นมาพลิกซ้ายพลิกขวามาเรียนต่อจากจิตเห็นจิตเข้าไปยึดก็เลยได้มารู้ตรงนี้ค่ะก็เลยโอ้สบายชอบแค่นั้นเองสบายสบายสงบเจ้ค่ะต่อไปก็ต้องมารู้ลึกลงไปอีกตัวจิตนั่นแหละตัวทุกจะยึดหรือจะไม่ยึดจะอยากหรือไม่อยากจิตนั่นแหละตัวทุก เจค่ะจะเห็นไปอีกชั้นหนึ่งจค่ะจิตถอยออกมาเรื่อยๆในที่สุดจิตยอมรับในระดับหนึ่งไงจิตยอมรับค่ะโอ้เราก็เลยเกิดความสงบสบายอย่างทีกาบเรียนให้หลวงพ่อทราบโอ้ไปเห็นตัวนี้เองถ้าเราไม่เห็นตัวนี้อันนี้ก็มาเป็นคิดแล้วเป็นความเข้าใจเป็นคิดแล้วว่าโอ้ถ้าเราไม่เห็นตัวนี้นี่นะว่าจิตเข้าไปยึดเองนี่ต่างหากนี่นะ โอ้เราจะไม่ลุกเราจะไปต่อไม่ได้เลยเกิดความปัญญาเกิดเข้าใจขึ้นมาตรงนี้เจ้าค่ะนี่ไงตอนตอนนี้เราเห็นว่าถ้าจิตเข้าไปอยากจิตเข้าไปยึดนะจิตก็ทุกนะจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกนะต่อไปเราจะเห็นอีกจิตจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตนั่นแหละทุกเป็นอีกชั้นหนึ่งนะ อ, อค่อยๆเรียนไปหลวงพ่อเจ้าคะ่ะแต่การรู้ตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนรู้ครั้งนั้นมันนุ่มนวลลุม่มลึกเจ้าคะ่ะอืแล้วก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเลย <ừ> นุ่มนวลลุ่มลึกละเอียดเหลือเกินยิ่งภ <ใน S 1> าวนายิ่ง<ๆ>ไม่หวือหวานะภ<อ>าวนาแล้วหวือหวามันต้งแรกๆหรอกยิ่งภาวนานมันไม่มีหวือหวาเลยั Senin, มันรู้สึกเองนะคะว่าโอ้นี่มันลุ่มลึกนะมันไม่อะไร อะไรเลยมันมีความสงบมีควา ม, มสบายค่ะแล้วจิตเวลารู้สภาวะต่างๆเนี่ยรู้เร็วขึ้นมากอรู้แล้วก็ดับบางทีไม่ทันปรุงแต่งเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเริ่มเคลื่อนที่จะรู้เนี่ยเหมือนอย่างกับเราเปิดปกระกป๋องหรือเปิดอะไร ม, มันจะอ้านิดนึงเท่านั้นแหละเราก็รู้แล้วอรวืรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับ บางทีเลยไปบ้างเป็นครั้งคราวที่จะไปถึงอีกสเตปหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีมเจ้าค่ะโยมก็เลยมาสงสัยสงสัยทำไมลนะ่ะสงสัยว่าโอ้ต้องทำไมจิตเขามารู้ทั้งทั้งที่ทขณะนั้นเนี่ยจิตไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่รูปแล้ว ม, มันทุกข์สาหัสมาแล้วแล้วนี่ทำปกติ รู้แต่กายที่เคลื่อนไหวรู้จิตใจที่กำลังนึกคิดเดินธรรมดาธรรมชาติความเป็นธรรมชาติตรงนี้ต่างหากที่เราได้มาเกิดปัญญารู้เห็นเข้าใจตรงนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะไปทําต่อเจ้าค่ะขอกันบ้านนี่ไงให้กันบ้านละไปททำต่อเจ้าค่ะขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วยก็ค่อยดูดูนะดูทุกไปเรื่อยเลย ต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นอีกมันจะเห็นตอนเนี้ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าถ้ามีอยากมียึดมันก็ทุกข์นะไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์ต่อไปก็จะดูไปอีกมีขันนั่นแหละมีทุกข์เนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งนะโอ้โหไปเห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจิตเขาหลงเข้าไปยึดนะฮะโอ้โอมันเนี่ยพอเราเห็นตรงเนี้ยนะเราจะยึดตัวรู้เราจะไปห่วงแหนตัวรู้เหนียวแน่นเลยต่อไปเนี้ยนะ เพราตัวอื่นๆเนี่ยเป็นตัวทุกข์หมดเลยะถ้าตัวรู้นี่เคลื่อนไปยึดเมื่อไหร่ทุกข์มื่นั้นพออย่างเงี้ยแล้วตัวรู้ไม่จะเด่นดวงรักษาแต่ตัวรู้ไว้ต้องรู้อีกแล้ไอ้ตัวเนี้ยตัวทุกข์เลยนี่ยหัวโจกมันล้วนี่หลวงพ่อบอกครั้งที่สามเร้าใจให้โยมยังไม่เก็ตตรงนี้ใจมันกําลังปรับรื้มตรงที่เรารู้ทันว่าถ้าอยากจะยึดเราทุกข์ ยังมีอีกไปพนาต่อแล้วมันเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าจิตใจเรารู้สึกแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะเวลาเขาเรียกสังขารเรื่องไงเนะะี่ย่ะภายนอกหรือภายในเนี่ยแต่เราเห็นว่าข้างนอกกับข้างในเนี่ยออทำงานปกติ เ, ออเราเนี่ยสมมุติว่าเป็นตัวเราเนี่ยไม่ไม่ไม่เฉยเฉยแล้วก็ไม่ แตะเข้ามาไม่ถึงเหมือนยังกับมีอะไรไม่จราบมากั้นอย่างนั้นแหละก็ดูก็ทํางานข้างนอกก็ทํางานปกติเป็นธรรมชาติของเขาใช่แล้วก็ข้างในก็ทํางานปกติเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยทำไมทํามะมันก็สูงขึ้นนะทํามะมันก็สูงขึ้นเป็นขั้นๆนะละเอียดถัดจากนี้ไปไม่มีข้างในข้างนอกอีกเนาะไปอีกแบบอ๋อ ก็เลยได้มามากราบเรียนให้หลวงพ่อเจ้าค่ะดีแต่บทเรียนต่อไปยากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในไม่ได้รักษาไว้ตรงกลางนะอะไรๆก็ไม่ถูกเท่าตัวรู้นี่แหละตัวจิตนี่แหละแตนะ่ค่อยๆพัฒนาไปมันไปของมันเองแหละนะสนุกไหม นานๆฟังธรรมะสนุกสักทีดีแล้วละ่ะภาวนาถูกเราละมันเห็นเลยใจ ม, ใมันอยากคจมันยึดใจมันก็ทุกข์นะ<อ>แล้วโลกไม่มีอะไรโลกข้างนอกนะหรือโลกภายในนะก็ไม่มีอะไรหาสาระแก่นสารไม่ได้ทั้งโลกข้างนอกโลกข้างในมันก็ทำหน้าที่ทำงานของมันต่างคนต่างก็ทำงานนะใจมันเป็นกลางรู้อยู่นั้นไม่ก้าวไก่กัน ต่อไปปัญญามันแก่รอบขึ้นไปอีกไม่เห็นเลยว่าสุดท้ายแนละ้วมันจะเห็นอย่างนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปอะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่ตั้งอยู่อะไรที่ดับไปก็ตัวรู้นั่นแหละแล้วตัวอื่นๆเนี่ยจิตมันจะแจ้งแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้ ว, วเป็นแต่ของแปรปรวน ถ้าเข้าไปอยากเข้าไปยึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเลยมันจะเห็นว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวดีตัวพิเศษจิตที่ไม่อยากจิตที่ไม่ยึดเนี่ยดีที่สุดเลยมันจะรักใคร่หวงแหนจิตตัวนี้เราก็พานาต่อไปจนเห็นจิตตัวนี้แหละตัวทุกข์ไม่มีตัวไหนเป็นตัวทุกข์เท่ากับตัวรู้อีกต่อไปแล้วความทุกข์ที่ผ่านมานะไม่มีเทียบเท่าความทุกข์ของตัวรู้เลยสร้างตัวรู้แทบตายเลยนะ เพื่อวันหนึ่งจะต้องฆ่ามันทิ้งสนุกมันไม่ฆ่าเราเราก็ฆ่ามันเนอะส่วนมากมันฆ่าเรา <c oughs> ดีสนุกดีเข้าใจคำสอนหลวงพ่อมีคุณค่ามหาศาลใช่ค่ะเข้ า, า, าใจเป็นลำดับลำดับนะหลวงพ่อสอนพวกเราทุกอาทิตย์เลยย้ำแล้วย้ำอีกให้พวกเราเนี้ยทานะทำอย่างนี้ ยังขอให้กำลังใจเพื่อนพวกเราว่าทำอย่างนี้นะได้ได้ได้พบจริงๆแต่ละขั้นละขั้นจ้ะค่ะอากาบขอบพระคุณหลวงพ่อมาเกี่กับอาเซีนกับบ้าน